ก็เกิดพระสาวกผู้ฟังและปฏิบัติตามและได้บรรลุผลแห่งพระธรรมวินัยนั้นเกิดมีสงฆ์ที่เป็นแหล่งศึกษาปฏิบัติสั่งสอนสืบทอดพระธรรมวินัยนั้นเกิดมีวัดเป็นที่ให้พระอยู่และให้คนไปเพื่อได้ฟังได้เรียนได้ปฏิบัติได้ทากิจกรรมที่จะให้ได้ประโยชน์จากพระธรรมวินยัยเกิดมีพิธีกรรมที่จะเป็นขั้นตอนชักนาให้พระนาพระธรรมวินยัย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 ที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงและบัญญัติไว้พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เองว่าอา n o ์โดยการที่เราล่วงลับไปทมและวินัยใดที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลายทมและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่อยู่แต่ถ้าทำมาวินัยที่พระองค์สั่งสอนไว้ยังอยู่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 พระพุทธเจ้าประรินิพานนานส0 0พกกว่าปีแล้วพระธรรมวินัยที่เป็นคําสั่งสอนของพระองค์เป็นศาสดาแทนพระองค์นั้นมาถึงเราได้อย่างไรเราจะหาพระธรรมวินัยได้ที่ไหนก็ตอบรัวพลัดง่ายที่สุดเลยว่าพระธรรมวินัยนั้นท่านจารึกไว้เป็นพระไตรปิฎกและพระสงฆ์ตั้งแต่พระสาวกรุ่นใกล้ชิดพระพุทธเจ้าได้รักษาสืบทอดกันมา